ให้เอาฟังรู้หรือไม่ว่าจุดประสงค์ของการที่เรามาฝึกให้จิตของเรามีสติตั้งขึ้นเนี่ยเพื่ออะไรทำไมเราจะต้องมาฝึกฝนให้จิตของเรามีสติตั้งขึ้นเรามีนัด ก, กันทุกๆวันว่าเราจะต้องมาฝึกให้จิตของเรามีสติบางคนนั่งสมาธิตอนเช้าหลังตื่นนอน บงคนนั่งสมาธิตอนค่ำก่อนเข้านอนบงคลระหว่างวันก็มีการทําสมาธิที่เป็นรูปแบบบ้างแบบไร้รูปแบบบ้างฝึกทําสมาธิในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะทําสติให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์อะไรพระเจ้าได้เฉลยเวลาจำฟังว่าเวลาที่เราทําสติต่างๆ พยายามที่จะตั้งสติขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวิตของเราเนี่แหละความรู้ความเข้าใจผ่านทางสิ่งที่เราได้เห็นทางตาให้เกิดความรู้ความเข้าใจผ่านทางเสียงที่ระดินทางหูให้เกิดความรู้ความเข้าใจผ่านทางสัมผัส ต, ต่างๆที่เรารับรู้มาทางอินทรีย์ เกิดความรู้ความเข้าใจว่าอะไรคือเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ว่าสิ่งต่างๆนั้นมีธรรมชาติเป็นอย่างไรพระเจ้าเองตัวพระองค์ตงแต่ตอนที่ก่อนการตรัสรู้ก็ได้ตั้งสติขึ้นอยู่ในป่าคนเดียวพยายามที่จะทำความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นตั้งสติขึ้นผ่านทางลมหายใจ ใช้ใลมหายใจเป็นเครื่องมือในการที่จะตั้งจิตตั้งใจขึ้นตัวเราเองก็เหมือนกันก็สามารถทำได้ใช้ใลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือในการที่จะตั้งจิตตั้งสติ ข, ขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตของเราบางครั้งบางทีมันไปรับรู้เรื่องราวที่เป็นไปในอดีตบ้างอนาคต บ, บ้างเรื่องของคนนั้นบ้างเรื่องคนอื่นบ้าง ความคิดนึกต่างๆแม้บางทีเราจะไม่ได้เห็นภาพใดๆไม่ได้ยินเสียงผ่านทางหูแต่จิตเราก็บางทีก็ไปนู่นไปนี่คิดถึงคนนั้นคนนี้อาการที่จิตมันไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนู่นมันก็เลยมีความเสียงทงห่จมาฟังว่าไอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นมันดีหรือไม่ดีมันมีธรรมชาติที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะว่าถ้าผูว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอกุศล จิตเราก็จะมีอากัสรสนเปื่อนมาแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีจิตเราก็จะมีความไม่ดีเปื่อนมามันก็จะทําให้จิตของเรานั้นมันไม่ดีตามไปด้วยวิธีการที่เราจะรักษาจิตของเราให้ดีอยู่ได้ให้ตั้งขึ้นได้ก็จึงจะต้องมีที่ที่เราจะจัดตั้งจิตขึ้นเวลาเราจะตั้งจิตขึ้นไม่ให้มันไปแปดเปื้อนในสิ่งที่เราไปรับรู้ไปสัมผัสเนี่ยก็ต้องมีการตั้งมันไว้ สักที่ใด ท, ที่หนึ่งการที่เราจะตั้งจิตขึ้นได้ก็ต้องมีสถานที่จัดตั้งอย่างดีว่าสถานที่ที่เราจะจัดต ouais. ั้งสติขึ้นได้และก็คือสติปัะยานทั้ง4นั่นเอง <c ười> สติก็คือการระลึกได้นั่นเองฐานที่ตั้ง ท, ที่จะทำให้จิตของเรามีการระลึกได้นั่นก็คือลมหายใจของเราลมหายใจของเราที่เข้าที่ออกอยู่เป็นประจำอยู่ตลอดทุกทุกวันทุกทุกชั่วโมงทุกๆนาที มีการหายใจเข้ามีการหายใจออกไม่ในลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่งลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกยังเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นปกตินี่แหละแทนที่ว่าเราจะให้ลมหายใจนั้นหายใจทเฉยเฉยหายใจเข้าครั้งหนึ่งหายใจออกครั้งหนึ่งอายุเราก็สั้นลงไปลมหายใจหนึ่งแต่ในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกแต่เราไม่หายใจทิ้งแต่ให้เป็นลมหายใจที่มีสติก็เรากำกับไว้ด้วย มีจิตของเรามาระลึกรู้อยู่การที่จิตของเรามาระลึกรู้มีสติตั้งอยู่ในลมหายใจอย่างนี้ชื่อว่าเราเดินอยู่บนทางสู่ความไม่ตายเพราะในขณะที่เรามาระลึกรู้ดูลมหายใจของเราเนี่จิตที่มีสติอย่างนี้ชื่อว่าเราเจริญอริยมรรคมีองค์8เพราะว่าในขณะที่เรามารู้ลมหายใจเกิดเป็นสติขึ้นสตินั้นก็เป็นสัมมาสติ ในขณะที่เรามารู้ดูเรหมายใจของเราจิตของเรามันไม่ได้ไปคิดในเรื่องที่มันไม่ดีไม่ได้คิดไปในเรื่องที่เป็นทางการไม่ได้คิดไปในความที่จะพยายามบิดเบียนใครความคิดความดําทธิ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นความคิดที่ดีในขณะที่เรามารู้ดู atención, เราหมายใจเข้าสมาที่อยู่นี้เราก็ไม่ได้ทําผิดศีลกายเราก็ไม่ได้ผิดวาจาเราก็ไม่ได้ผิดอาชีวะเราก็สมบูรณ์อยู่ สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็เกิดขึ้นความเห็นในการที่เราคิดว่าเราจะต้องมาตั้งสติขึ้นนั่งสมาธิดูลมหายใจความเห็นนี่เป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นความเห็นที่ดีเป็นความเห็นที่ถูกต้องแล้วในการที่เรามารู้ดูลมหายใจอยู่นี้เราพยายามที่จะวางความคิดที่เป็นอกุศลพยายามตั้งจิตตั้งใจของเราให้มันดีขึ้นไออกุศลที่มันลดลงไป กุศลและตามที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้อันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะคือความเปลี่ยนชอบองค์ประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ถ้าแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั่นก็เป็นส ม, มาสมาธิเราพิจารณาดูลมหายใจของเราให้ดีในขณะที่เรามารู้ดูลมหายใจของเราเนี่ยสติตั้งขึ้นหละเพราะว่าจิตมันไม่ได้ไปที่ไหนจิตมันระลึกถึงลมหายใจได้ ลมหายใจที่มีสติตั้งขึ้นอย่างนี้สติที่ตั้งขึ้นเนี่ยจำไว้เป็นองค์ประกอบที่จะทําให้จิตนั้นพร้อมแก่การตรัสรูธ้ธรรมพระเจ้าใช้คําว่าเป็นสติสัมโพชงโพชงคือองค์ทําใแห่การตรัสรูธ้ธรรมองค์ทําใแห่การตรัสรูธ้ธรรมก็คือองค์ประกอบที่ถ้าประกอบเข้ากับจิตดวงใดดวงหนึ่งแล้วจะทำให้จิตนั้นพร้อมแล้วที่จะเห็นธรรมะ พร้มที่รู้ธรร ม, มะใครจะเห็นธรร ม, มะรู้ธรร ม, มะได้จิตของเขานั้นก็ต้องมีองค์ประกอบอย่างได้อย่างหนึ่งในเรื่องของโภชฌงทั้ง7อย่างสติที่เราตั้งขึ้นนี่แหละก็เป็นหนึ่งในโพชฌงเจเดี๋ยวเวลาที่จิตของเราตั้งขึ้นอยู่กับลมหายใจไม่วิ่งเข้าไปหาสิ่งที่เรามีความชอบเราพอใจไม่วิ่งหนีสิ่งที่เราไม่ชอบไม่พอใจเดีย๋ยวถ้าเราสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทางกายก็ตามทางหูก็ตามหรือสมบัติทางใดๆที่เกิดขึ้นจิตถ้ามีสติก็จะไม่เข้าไปเกลือกลั้วในอารมณ์อันเป็นที่น่าพอใจไม่ไปกำนัดลุ่มหลงอย่างนั้นจิตที่ถ้ามีสติก็จะไม่ไปเกลือกกลั้วในอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจในลักษณะที่เป็นความขยะกขยงเกลื่อชังแต่จะตั้งของมันอยู่ได้การที่จิตตั้งขึ้นนั้นคือจิตที่มีสติ เป็นจิตที่พร้อมแก่การตรัสรู้ทำเวลาที่จิตเป็นอย่างนี้สามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสที่เข้าไปรับรู้เนี่ยตามสภาพที่มันเป็นก็คือไม่มีการโอนเอียงเอ็เอียงไปในทางชอบใจหรือไม่ขยะกขยแงในทางที่ไม่ชอบใจเฉแาลว่าที่เราสามารถเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นตามในลักษณะที่มันเป็นตามเนื้อผ้าของมัน ตัวนี้แหะคือการเห็นตามที่เป็นจริงเป็นลนักษณะของการที่เห็นธรรมะใกล้ค ร, รวญธรรมะด้วยปัญญาอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสตินั่นเองการใกล้ค ร, รวญทำด้วยปัญญานั้นก็คือเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความไม่เที่ยงนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่ทําให้จิตนั้นพร้อมแก่การตรัสรู้ธรรมเราได้ยินเสียงใดๆสัมผัสใดๆผ่านทางลิ้นผ่านทางกายเราก็เห็นความเกิดขึ้นความดับไปของมัน เห็นความไม่เที่ยงของมันมีการใกล้กรวนธรรมะสิ่งที่เป็นกุศลธรรมก็เกิดขึ้นในใจเพราะนั่นคือการเห็นตามที่เป็นจริงแต่การเห็นตามที่เป็นจริงเขาเรียกว่าเป็นกุศลธรรมในขณะที่เราเห็นอยู่อย่างเป็นจริงนี้เราก็ไม่เข้าไปเกลือกลัวไม่ไปยินดียินร้ายในสิ่งที่เราไปสัมบระรับรู้อกุศลธรรมก็ไม่เกิดการที่กุศลธรรมเกิดขึ้นการที่อกุศลธรรมลดลงไป อันนี้แหละคือเรียกว่าเป็นวิริยะสัมโพชงเป็นความเพียรชนิดที่ทำให้จิตนั้นพร้อมแก่การตรัสรูธ้ธรรมบางคนอาจจะคิดว่าเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาดูหนังตาแตะไม่เห็นจะทำความเพียรอะไรแต่ในที่นี้คือการทำความเพียรต่างจิตคือการที่เราเอาอากุศลออกจากใจเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปการที่เราไม่เข้าไปพอใจในสิ่งที่น่านยินดี ไม่เข้าไปใคยขย้งเกลียดชังในสิ่งที่ไม่ยินดีความพอใจและความไม่พอใจที่ออกไปนี้แหละคืออกุศลธรรมมันออกไปจากใจของเรากอนที่เราเห็นอยู่อย่างถูกต้องโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของตั้งอยู่ชั่วขณะตามเวลาตามเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นอันนี้ชื่อว่าเราสั่งสมกุศลละเป็นการทำความเพียรทังจิตเป็นมิริยะสัมโพชงอกุศลธรรมที่ค่อยๆลดลงไปลดลงไป กุศลธรรมที่ค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเอากุศลธรรมที่ลดลงจนถึงระดับหนึ่งกุศลธรรมที่เพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งจะทำให่ใจของเรานั้นมีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจคือถ้าเราค่อยๆทําไปปฏิบัติไปเนี่ยจิตใจของเราอกุศลธรรมลดลงกุศลธรรมเกิดขึ้นตั้งขึ้นจนถึงระดับหนึ่งแล้เราจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจ ความมีเมิบใจความสบายใจที่เกิดขึ้นนี้ก็คือปีตินั่นเองเป็นปีติหรือเป็นความมีเมิบใจความสบายใจชนิดที่เกิดจากข้างในแต่ไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อคือไม่ต้องอาศัยรูปมาล่อผ่านทางตาไม่ต้องอาศัยเสียงมาล่อผ่านทางหูแต่เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในคือเราไม่ต้องบอกเห็นสิ่งนี้เราถึงจะมีความสุขได้ฟังเพลงนี้ หรือว่าได้ยินคนนี้ก็พูดกับเราอย่างนี้เราถึงจะมีความสุขแต่ความสบายใจความสุขใจประเภท น, นั้นก็เรียกว่าเป็นอามิตรที่ยังต้องอาศัยเครื่องล่ออย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวตามต่างจังหวัดต่างประเทศเราได้กินอันนี้ได้เห็นอันนั้นดูสิ่งนี้สิ่งนู้นแล้วจะมีความสุขอันนั้นคือต้องใช้ตามาล่อใช้อาหารมาล่อก็เรียกว่าเป็นความสุขชนิดที่เป็นอามิดยังมีเครื่องล่อแต่ความีเม่มเอบใจความสบายใจ ที่เป็นผลของอกุศลธรรมที่ไม่ดีในใจมันลดลงไปที่เป็นผลของความที่สิ่งที่เป็นกุศลธรรมในใจมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความมีเมิร์บใจความสบายใจชนิดนี้ไม่ต้องอาศัยเครื่องร่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากในภายในเรียกว่าเป็นปีติที่เป็นนิกรามิตเวลาที่จิตเรามีปีติชนิดนี้จิตนั้นพร้อมแก่การตรัสรู้ธรรมพร้อมแล้ว ที่จะก้าวลงสู่วิมุตต์เรียกว่าเป็นปีติสัมโพชงจิตใจที่เป็นอย่างนี้แต่วั ง, งเวลาสิ่งใดมากระทบจะเป็นทางตางทางหูก็ตามใจของเราก็จะไม่หวั่นไหววุ่นวีุ่่นายไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกเรียกว่าเป็นผู้ที่ควรควายน้อยนิ่งอยู่อาหารจะมาเป็นยังไงเราก็ยังสบายใจอยู่ได้พระไปบินตบาได้อาหารอะไรมาก็พอใจอย่างนั้นฝนจะตกแดดจะออก มีใครทำเสียงดังข้างบ้านหรือว่ารถยนต์ขับผ่านไปมาอย่างไรเราก็ยังมีความสงบอยู่ในใจได้การที่ไม่ห ว, วั่นไหววุ่นวายไปตามสิ่งที่มากระทบความสงบที่เกิดขึ้นทางใจนี่แหละเรียกว่าปัสสติหรือความสงบระงับเป็นปัสติสัมโพชงเป็นความสงบระงับที่เกิดขึ้นในใจอันเป็นผลของการที่จิตนั้นมีความอิ่มเ อ, อิบใจมีความสบายใจ เวลาที่ใจของเรามีความสงบระ ง, งับที่เกิดขึ้นในภายในการรับรู้ต่างๆภายนอกอาจจะมีขึ้นบ้างแน่นอนร่างกายมีอาการเจ็บป่วยตรงนั้นตรงนี้หรือว่าอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแต่เราก็จะรับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นได้แต่เราจะไม่วุ่นวายใจเราจะยังสงบอยู่ได้กายก็สงบอยู่ได้ความสงบระ ง, งับคือปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความสุขที่เกิดขึ้นในภายใน ความสุขที่เกิดขึ้นในภายในที่เราไม่ต้องหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบจากภายนอกอันเป็นผลของความสงบระงับที่เกิดขึ้นอันนี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับของสมาธิที่เกิดขึ้นยิ่งมีความสุขที่ลึกมากในภายในก็จะหมายถึงสมาธิที่ลึกเป็นขั้นเป็นขั้นไปที่ลึกซึ้งตามลงไปมีจิตแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวมากขึ้นและมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสุขที่เกิดขึ้นในภายในนี้ เป็นตัวบ่งบอกถึงระดับของสมาธิสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวนั่นก็คือสมาธิสัมโพชฌงเป็นความแน่วแน่เป็นความที่จิตมีอารมณ์เดียวเป็นลักษณะที่จะทําให้จิตนั้นพร้อมแก่การตรัสรู้ทําได้เรียกว่าเป็นสมาธิสัมโพชฌงเวลาที่จิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวไม่แกว่งไปไม่แหวงมา แต่จะมีการคิดพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะในธรรมวิจัยได้แต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นความฟุ้งซ่านสับสนไม่ทำให้เกิดความหวั่นไหวอยู่ในกรอบของความสงบคือปัสสถิเกิดความระ ง, งับขึ้นท้งต่างกายและทางใจจิตแน่วแน่นิ่งเป็นโรมั์เดียวเวลามีสิ่งใดมากระทบก็ไม่จีจัดเปี่ยนร่างขึ้นแต่เป็นจิตที่แน่วแน่นิ่งอยู่เป็นอรมณเดียว มีสิ่งใดมากระทบเราก็วางเฉยได้นิ่งเฉยได้ความนิ่งเฉยความวางเฉยนี่แหละท่านผฟังก็เรียกว่าอุเบกขาเพราะเวลาที่จิตของเราแน่วแน่นิ่งเป็นอารมันเดียวไม่หวั่นไหวอยู่เราเห็นความที่จิตเป็นอารมันเดียวนี้ผ่านทางสติที่เราตั้งมั่นขึ้นเอาไว้เพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเวลามีอะไรมากระทบก็นิ่งเฉยอยู่ได้ ความนิ่งเฉยความบางเฉยนี้คืออุเบกขาที่เป็นอุเบกขาสัมโพชงเป็นอุเบกขาที่ทำให้จิตของเรานั้นจ่ออยู่แล้วที่ประตูสุนิพานอันเป็นธรัมตะด้วยการอย่างนี้การที่เราเจริญอาณาปานสติก็จะทำสติประรานทั้ง4ี่ให้เจริญได้สติประรานทั้ง4ที่เมื่อเราเจริญกระทำไม่มากแล้วก็จะทำโพชงทั้ง7ให้บริบรได้ โภชงเจตที่เกิดขึ้นในใจของเรานี้หรือทั้งสติปัฏฐานที่เกิดขึ้นในใจของเรานี้ผ่านทางการสังเกตโลหมาย ใ, ใจแต่เราไม่จำเป็นต้องไปเฉพาะเจาะจงว่าเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ฉันจะทําปีติสัมโพชงเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะลองทําอุเบคาสัมโพชงดูเมื่อวานทำธรรมวิจัยแล้ววันนี้จะลองทําอย่างอื่นดูบ้างแต่เราไม่ได้ไปเฉพาะเจาะจงถึงขนาดนั้น เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากผลที่เรามาระลึกถึงลหมหายใจนั่นเองแต่มันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นผลของกันและกันพระเจ้าเนี่ยตะบูฟังเป็นผู้ที่มีความเคารพธรรมะมากเป็นธรรมราชามีความเข้าใจเรื่องธรรมะอย่างสูงเวลาจะแสดงธรรมก็มีความเคารพในธรรมแต่จึงจําเป็นที่ต้องแยกแยะเปิดออกให้เห็นพาออกให้ดู แว่าในลมหายใจของเราเนี่ยที่เราเห็นอยู่ธรรมชาติธรรมดาทุกวันทุกวันเนี่ยสติประฐาน4มันก็อยู่ในนี้แยกแยะแจกแจงให้มันลึกซึ้งลงไปอีกโพชงทั้ง7ก็อยู่ในนี้เสมือนเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งอาจารยฟังแล้วิเวียสายเข้าไปแยกสารประกอบของให้โดคารบอนออกมาเข้า อ, อุเรื่องเข้าอะไรตรวจแยกแยะในเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งนั้นก็มีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีทั้งเกลือแร่มีวิตามินเอวิตามินบีอะไรต่างๆ แร่ธาตุต่างๆก็อยู่ในเมล็ดข้าวเมล็ดเดียวนี่แหละแต่เวลาเรารับประทานข้าวนี่เรากินข้าวทั้งคำเลยไม่ใช่แค่เม็ดเดียวอยู่ในนี้หมดไม่ได้ต้องแยกแยะว่าเดี๋ยวฉันแบ่งข้าวก่อนขอวิตามินกินก่อนแล้วกินเกลือแร่แตามมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันอยู่ในคำเดียวนี้เองมันอยู่ในลมหายใจของเราอย่างเดียวนี้เองอยู่ในลมหายใจของเราทั้งหมดนี้องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นสติประทานสโพชงเจ แตที่รวมกันอยู่ที่นี่มันเกิดขึ้นจากเวลาที่เรามีสิ่งใดมากระทบและเราอย่างตั้งสติอยู่ได้แล้วในการที่เรามารู้ดูลมหายใจของเราอย่อย่างนี้จะไม่ใช่ว่าเราจะไม่รับรู้ถึงสิ่งภายนอกเลยนะท่านผู้ฟังในกระดานที่เรานั่งสมาธิทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยพื้นที่เราก็ได้ยินเสียงอื่นๆื้นที่เราก็มีความคิดนั้นนี้โน้นบ้างก็มีแต่ถ้าจิตของเราเป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงลมหายใจ ผกจิตของเราเอาไว้อยู่กับเสาเกินเสาหลักคือลมหายใจของเราเนี่ให้เป็นจิตที่ตั้งมั่นมีล ม, มันเดียวอาจจะมีความคิดนึกต่างๆอยู่บ้างก็ตามแต่ไม่ลืมลงลมหายใจก็ชื่อว่าจิตของเราเนั้นมีสติตั้งขึ้นเอาไว้แต่บางทีมันอาจจะลืมลมไปบ้างถ้าลืมลมไปบ้างาเราระทึกได้เมื่อไหร่ก็ให้จิตนั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือว่าเราไปข้างนอกก็ได้เ่อนฟังเราไปนอกบ้าน ไปทำงานตอนเช้าตอนเย็นก็กลับมาบ้านแต่ไปต่างจังหวัดสาสวันเดี๋ยวก็กลับบ้านเหมือนกันบางทีจิตมันไปเร่ร่อนแส่สายนุ่นนี่บ้างเราระลึกได้จำได้เอา้าให้เขากลับมาอยู่ที่บ้านซะแต่ บ, บ้านของจิตนั่ก็คือลหมหายใจแต่ลหมหายใจคืออนาปานสติเนี่ยเป็นบ้านเ่็นฟังเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าก็อยู่อย่างนี้เราพระอรหันต์สาวกก็มีเครื่องอยู่ที่อยู่แบบนี้แหละ เหมือนกระต่าที่มันมีกระดองเต่าเป็นที่รักษาตัวของมันแต่ทนะ่านู้ฟังลองดูเวลาที่เต่าเขาหดอวัยวะอยู่ในกระดองเขาเจอภัยอันตรายใหใ ด, ดหดหัวอยู่ในกระดองหดขาหดหางเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้หดแล้วก็หลับตานะ่ยเขาก็ยังลืมตาอยู่นะลืมตาอยู่คอยสังเกตดูว่าภายนอกเป็นอะไรยังไงแต่จิตใจของเราเนี่ยก็ เ, เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะให้เก็บจิตของเราไว้ในกระดองให้จิตเรามีบ้านมีที่อยู่ แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่รับรู้สิ่งใายนอกแต่เราก็รับรู้อยู่ผ่านตั้งหนาั้งหูก็ธรรมดาแต่มีสมองมันก็มีความขิ้ขลธรรมดามีขามีหลังมันก็ปวดบ้างก็ธรรมดาแต่ฝนตกใส่ภูเขาหินตั้งแทนะ่งอะท่านผูฟังแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เปียกนตมันก็เปียกอยู่แต่ว่าภูเขาหินนั้นไม่ได้ละลายไปกับน้าฝนไม่ได้หวันไหวไปตามลมที่มากระทบเหมือนกันเวลาที่เรารับรู้สิ่งใดเรารู้อยู่ แต่เราไม่หวั่นไหวไปตามภาษาเน้นเพราะว่าจิตขอเรามีที่ตั้งอยู่ในกระดองเต่าอาการที่จิตนั้นมีสติรักษาไม่ถูกดึงลากถูกลู่ดูกลางหวั่นไหวไปตามภาษะที่มากระตบไปตามทางอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยคือการที่จิตนั้นหลุดพ้นจากการเกลียดกลัวของอารมณ์นั้นนความหลุดพ้นนั้นคือวิมุตต์นั่นเองวิมุตต์คือความหลุดพ้นสติเป็นที่เล่นไปสู่วิมุติ ถ้าใจของเรามีสติรักษาจิตนั้นก็จะหลุดพ้นจากผัสสะที่มากระทบและหลุดพ้นจากอารมณ์ความรู้สึกที่จะพยายามจะเข้ามาตั้งอยู่กลุ่มรุมในใจของเราแต่ถ้าอารมณ์น uh, ั in ้นความรู้สึกนั้นเป็นอารมณ์ที่เินสุขแต่ถ้าเข้ามาตั้งอยู่ในใจของเราแล้วมันก็จะทำให้ใจของเราลอยขึ้นมีความสุขความเพลิดเพลินไปตามมันถ้าอารมณ์นั้นความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจมาตั้งอยู่กลุ่มรุมในใจของเรา เราก็จะโกรธเกลียดเคียดแค้นแต่ถ้าเป็นภูเขาหินก็คือละลายไปตามน้ําเลยละ่ะแต่ถ้าบอกว่าจิตของเรามีสติรักษาสิ่งนั้นไม่เข้ามากลุ้มๆตั้งอยู่ในจิตของเราได้สติที่รักษาจิตนี่แหละทําให้ไอ้เจ้าอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นมันออกไปแต่มันไม่ตั้งอยู่ในใจได้ติดอยู่กันก็จริงแต่ว่าเป็นคนละส่วนกันแต่เหมือนฝนตกใส่ภูเขาหินก็ไม่ละลายออกแต่มันก็อยู่อมันไป เหมือนน้ำที่ตกลงบนใบบัวน้ำกับใบบัวนั้นติดกันอยู่ก็จริงถึงเวลาที่แสงแดดขึ้นน้ำมันก็ระเหยไปได้ทันทีถึงเวลาที่ใบบัวมันเอียงไปน้ำมันก็กลิ้งออกไปได้ทันทีแต่มันติดอยู่กันก็จริงแต่ว่ามันไม่เนื่องเปน็นดันเดียวกันมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าเคยเอามือโบอกไปในอากาศอย่างนี้ก็อธิบายที่ความที่อากาศและมือเนี่ยมันไม่ติดกันแต่ไม่ติดกันนี่หมายถึงว่า มันไม่ใช่ว่าไม่โดนกันแต่ว่ามันแยกเป็นคนละส่วนกันคือมันติดกันอยู่ก็จริงแต่มันแยกกันไปแไม่เป็นของเนื่องกันไม่ละลายผสมปนกันผู้เช่าครั้งหนึ่งเคยนั่งอยู่ที่ริมบึงบึงหนึ่งตอนนั้นคืนประจันทเต็มดวงมีดวงจันทร์ลอยสว่างอยู่บนท้องฟ้าผีให้ภิกษุทั้งหลายดูแสงสะท้อนของดวงจันทร์ที่อยู่บนผิวน้ํำบอกว่าแสงสะท้อนดวงจันทร์ที่อยู่บนผิวน้ํา ก็เป็นดวงจันทร์ดวงหนึ่งที่อยู่บนน้ํ า, นานดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งที่อยู่บนฟ้าก็เป็นอีกดวงหนึ่ง 2. อ, อย่างนี้ไม่เนื่องกันแต่มาจากอันเดียวกันก็จริงแต่ว่าไม่เนื่องกันแยกกันไปเวลาเราทําการภาวนาก็อธิบายว่าให้ใจกับกายของเราเนี่ยมันแยกกันไปอย่างนั้นให้เห็นจิตก็เป็นอันหนึง่งรวมความรู้สึกต่างๆก็เป็นส่วนหนึง่งกายก็เป็นส่วนหนึง่งมันติดกันอยู่ก็จริงแต่ว่ามันไม่เนื่องกันเป็นกละส่วนกัน ดวงจันทร์บนน้ําก็มาจากดวงจันทร์บนฟ้านั่นแหละแต่ว่ามันไม่เนื่องกันเวลาเรารับรู้สัมผัสอะด้ก็ผ่านทางหูนี่แหละแต่ว่าจิตที่เข้าไปรับรู้อารมณ์เสียงที่เกิดขึ้นเป็นคนละส่วนกันทั้งสิน้นหรือไม่แต่เวลาที่เราทับพีตักลงไปในแกงเนี่ยทับพีเนี่ยไม่ได้รู้รสแกงไปด้วยทับพีไม่ได้ละลายไปตามแกงแต่มันก็แยกเป็นคนละส่วนกันมันอยู่ติดกันก็จริง แต่มันแยกเป็นคนละส่วนกันมันไม่เนื่องกันท่านพระอนุนเค ย, ยกตัวอย่างท่านฟังเปรียบเทียบเราเอาวัวสีดาํากับวัวสีขาวมาปูกอยู่บนหลักเดียวกันเราจะบอกว่าวัวทั้งสองตัวเป็นสีเทามันไม่ได้ถึงแม้มันจะปลูกอยู่บนหลักเดียวกันแต่มันก็เป็นคนละตัวกันอันนี้หมายความว่าเวลาเรารับรู้สิ่งใดๆดทางตาเนี่ยหลักคือตาแต่มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆเกิดขึ้น จิตเราก็มารับรู้จิตกับอารมณ์นั้นไม่ใช่เป็นนันเดียวกันวัวสีดํากับวัวสีขาวไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ว่าปลูกอยู่กับบนหลักเดียวกันเวลาที่ลิ้นเราก็ไปรับรู้รสมีอารมณ์ความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นทางลิ้นจิตเราเข้าไปรับรู้หลักคือลิ้นมีจิตเข้าไปรับรู้กับวัวตัวหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางลิ้นนั้นก็อีกการหนึ่งเป็นคนละอันกันจิตก็ส่วนหนึ่ง ความคิดก็ส่วนหนึ่งอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางภาษานั้นก็อีกอันหนึ่งแต่เป็นคนละตัวกันเป็นคนละส่วนกันเป็นของที่ไม่เนื่องกันเราจะเห็นสภาวะที่เป็นอย่างนี้ได้จิเราจะต้องมีสติรักษาได้ยินเสียงใดๆเกิดขึ้นความรู้สึกที่ชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นอาจจะมีบ้างจิตเราก็ไปรับรู้สิ่งนั้นนั้นก็ธรรมดาแต่ว่าความชอบใจความไม่ชอบใจเสียงแล้วก็จิตนั้น เป็นคนละตัวกันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เนื่องกันแต่มันเกิด อ, อยู่ที่หลักเดียวกันนั่นคือหลักของหูบัวปลูกอยู่ที่หลักเดียวกันแต่เป็นคนละตัวกันเราจะเห็นสภาวะนี้ได้ทําความแยกแยะแจกแ จ, ง, แจงให้เกิดขึ้นในจิตของเราจิตเราจะต้องมีสติสติที่เกิดขึ้นรักษาจิตนี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้เรามีความหลุดออกหลีกออกจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นความหลุดออกหลีกออกนี้เรียกว่าเป็นวิมุติ อาจจะเป็นวิมุตตหลุดออกหลีกออกชั่วคราวอาจจะมีการกลับกําเริบอยู่เอาไม่เป็นไรนนในช่วงที่เราทําสมาธิก็ทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวชะช่วงเวลาที่ออกจากสมาธิอาจจะเพลอเลไปบ้างก็ค่อยฝึกค่อยทำเอาทำฝังการค่อยฝึกค่อยทําเอาจะทําให้อิเจ้าการกลับกําเริบของการหลุดพ้นเนี่ยมันไม่กลับกําเริบได้แต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้ได้ต่อเนื่องแต่ความต่อเนื่องความชํานาญที่เกิดขึ้นนี่แหละ จะเป็นอินทรีย์ที่แก่กล้า ข, ขึ้นของจริงของเราเพราะจริ ง, งเรามีอินทรีย์ที่แก่กล้า ข, ขึ้นแก่กล้า ข, ขึ้นก็จะทําความหลุดพ้นชนิดที่ไม่กลับกํารบได้ให้พเราทั้งหลายฝึกในการที่จะทจําจิตให้มีสติอย่างยิ่งฝึกอยู่เรื่อยๆทําอยู่เป็นประจำทําอยู่อย่างต่อนเนื่องไปทั้งวันก็ได้อยู่ในอิริบทใดทํากิจการงานใดๆอยู่ก็ฝึกให้เป็นผู้ที่มีสติอยู่อย่างมีสัมผัสัญญะได้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบูร์อภิปุโน จากวัดป่าดอนไฮโซจเจริญบกร